คุณนาเป็นไงส่งคนบ้านหน่อยเมื่อวานที่เพ่งหายแล้วเจ้าค่ะวันนี้ก็เมื่อตอนเช้าตอนที่ฟังพระอาจารย์จิตมันจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วดูเขาไหลามาไหลไปแค่เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็เราเรียนธรรมะเยอะเกินเฟือไป ิงเห็นแค่รูปกับนามนะเกิดดับเกิดดับไปออพอจริงๆเลยแค่นั้นะเมื่อวานที่ครูบาเล่าเมื่อฟังหลวงพ่อสอนกรรมาฐานคนเยอะแยะเวลามาถามแต่ละคนต่างกันมากมายคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้อะไรางี้บาก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติมันเยอะนัก ใจมันก็สอนห่ห ม, มีจริงแล้วการปฏิบัติมีอันเดียวรู้ทุกรู้ทุกท่านรู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นง่ายแค่นั้นแหละนี่แต่ละคนจะมีกระบวนท่าอะไรนี่เรื่องเฉพาะตัวละเอาไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้นะอย่างเราทำของเราเราเดินจงกรมขยิงขาข้างนึงเดินไปแม้แล้วสติเกิดบ่อยครับสมมตินิสัยอย่างนี้ ไปสอนให้คนอื่นเดินเขย่งก็ไม่ได้เรื่องมันทางใครทางมันนะกรรมฐานเหมือนบางช่วงถ้าฟุง้งไปเดิ น, ดนจนงกรมแล้วฟุง้งแล้วก็คิดว่าเออเดินววๆจะหายฟุง้งพอเดินไัยวัจริงๆมันก็ฟุ้งไวๆเจ้าค่ะฟุะ้งนั่นแหละมันบังคับไม่ได้สังเกตไหมใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากให้หายทำไมใจเราอยากให้หายเพราะมันอยากดี มันอยากดีอยากสุขอยากสงบจิตใต้สํานึกเนี่ยมันรักตัวเองมันรักกายรักใจนี้เหนียวแน่นคิดว่ากายกับใจเป็นเราเหนียวแน่นมากอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบแล้วหาทางทำมีความอยากเกิดขึ้นกับมีความหลงผิดว่ากายกับใจเป็นเราก็ไปหลงรักมันเข้าไปยึดถือมันเข้าเสร็จแล้วก็เลยอยากเกิดตัณหาเกิดอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบเกิดการกระทํากรรมการสร้างพบ กำหนดโน้นกำหนดนี้หาทางแก้ไขหาทางรักษาไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือทุกข์นั่นเองทุกข์จะเกิดเนื้อวิชามีอยู่ไม่รู้ความจริงของกายของใจที่ว่าเป็นตัวเรายึดถือเหนียวแน่นว่าเป็นเราก็เกิดตัณหามีอาอวิชาก็เลยมีตัณหาขึ้นมาอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราสงบอยากให้ตัวเราดีอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ อยากให้ตัวเราบรรลุมรรคผลผนิพพานมีแต่ความว่าอยากกับคำว่าตัวเราพอ ม, มีความอยากเกิดขึ้นจิตใจก็ดิ้นรนทำงานทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะไม่ดีจิต ใ, ใจจะทำงานดิ้นไปเรื่อยๆจิตใจที่ทำงานจิตใจที่ดิ้นรนจิตใจที่เกิดภาระทางใจให้มันมีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็เกิดเพราะว่าใจมันดิ้น พอยิ่งดิ้นแล้วก็ทุกข์นะพอทุกข์ก็ยิ่งดิ้นอีกอยากให้หาย <Yeah. S 1> ในข้าวงจรของมันยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น <Yeah. S 1> ใครๆก็พยายามทำยังไงมันจะดีทําไงมันจะสุขทําไงจะสงบดิ้นไปเรื่อยๆน่าสงสารนะแต่ถ้าเมื่อไรละความเห็นผิดได้ละอวิชชาได้ตัณหาจะดับเองละความเห็นผิด ในว่ากายกับใจเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษพวกเราไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้ไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะเห็นได้สิ่งที่พวกเราเห็นได้ขนาดนี้ก็คือกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นได้แค่นี้แหละเกินกว่านี้เห็นไม่เป็นเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ด้วยใจ ตราบใดที่ยังเห็นว่ากายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ยังมีการดิ้นรนต่อไปอีกนะเรียกว่าตราบใดไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าไม่รู้ทุกขนะ์นะตัณหาคือตัวสมูทไทยก็ยังมีอีกแต่มันจะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะายังมีทางเลือกอยู่ถ้ามารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าวาาวันหนึ่งรู้แจ้งแทงตลอดลงในขันห้าในกายในใจในรูปในนามวันนี้ นี่ทุกข์ล้วนๆ้วนะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆ้วนเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆ้วนมันไม่ใช่ตัวเราเลยใจจะวางมันจะไม่อยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะกายนี้ใจนี้ทำยังไงก็ไม่สุขมันเป็นตัวทุกข์มนทุกข์ล้วนล้วนมันรู้ด้วยปัญญาแล้วมันทำให้สุขไม่ได้พอรู้ว่าทำให้สุขไม่ได้มันจะวางจะปล่อยวางแต่ถ้ายังมีทางเลือก มีสุขกับมีทุกข์มันจะเลือกเอาสุขจะเลือกหนีทุกข์ใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราเนี่เองถ้าเมื่อใดเราสามารถเข้าใจรูปนามกายใจขัน5้าอะไรของเราเนี้ยว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆนะมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปทั้งรูปทั้งนามเห็นอย่างนี้ระวัง ใจจะหมดความดิ้นรนเรียกว่าตัณหาถูกละไปรู้ทุกข์แกมแจ้งเมื่อไหร่สมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติอัตโนมัติแล้วไม่ขึ้นมาอีกลพะพอรู้ทุกข์แกมแจ้งแล้วของพวกเราภาวนานที่อยู่ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาธรรมดาีเรายังเห็นว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์ ถ้าเกิดความอยากนะใจก็ดิ้นรนแล้วใจเป็นทุกข์เราเห็นได้แค่นี้นะ tow. เรายังไม่เห็นหรอกว่าที่ดิ้นรนก็เพราะว่ามันรักตัวเองมันรักตัวเองเพราะมันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษถ้าเมื่อไรมันเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันเลิกรักตัวเองมันก็จะเลิกดิ้นร น, นเลิกหมดตัณหาที่จะเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ตัณหาเนี่ยพูดย่อๆเลยนะ จริงๆแล้วก็คือการวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นั่นเองดิ้นรนไปแต่ดิ้นรนแล้วก็ทุกข์มากกว่าเก่าใจเป็นทุกข์อึดอัดขัดข้องขึ้นมางั้นหน้าที่เรามีแค่นิดเดียวนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไวปเรื่อยๆรู้จนมันหนึ่งมันอิ่มรู้จนวันหนงมันพอนะมันพอมันพอของมันเองตรงที่มันพอของมันเองมันวางของมันเองมันวางของมันเอง ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะไม่มีใครทําได้เลยสักคนเดียวในโลกนี้จิตเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองเมื่อเขามีปัญญาแก่รอบในกองทุกข์จริงๆแล้วเขาเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่แต่เขาว่างของเขาเองอ่ะนี่พวกเราเห็นไม่ได้เราก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้แต่เห็นแค่นี้ก็ยังดี ในสุดปัญญามันก็เกิดเป็นลําดับลําดับไปมันก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวเพรอชั่วคราวชั่วคราวไปเรื่อยในที่สุดจิตหยุดความดิ้นรนนี่พอจิตหยุดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนเห็นนิพพา น, นนิพพานนี่ไม่มีตัวมีตนอะไรมีความสงบสันติค่อยฝึกไปลําดับลําดับไปนะวันหนึ่งมันรู้แจ้ง รู้แจ้งในกายในใจแล้วก็พ้นล้นั่นรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทยัยทํานิโรธคือนิพพานให้แจ้งขึ้นมาต่อหน้าต่อตาการรู้ทุกข์จนละสมุทยัยแจ้งนิโรธนี่แหละเรียกว่ามรรคหรือว่าการเจริญมรรคเั้นการเจริญมรรคจริงๆก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองจันสุรวัตรรู้จักเนื้อจันสุรวัตรแกเคยแจกแจงอริยสัจนะลงในกิจ ในยานสามตัวสัจญายันคิดยานกัตยานจะบอกว่าตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรต้องศึกษาอันนี้คือการศึกษาในเชิงปริยัตเชิงปริยัตการที่รู้ว่าทุกข์ต้องรู้สมุทัยให้ละนิโรธทาให้แจ้งมรรคทำให้เจริญนี่คือกิจเป็นกิจยาน ปิจิยา น, นี้ก็คือการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ทุกแล้วล้าสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคเสร็จแล้วเป็นกัตยานญาตสุดท้ายทํางานเสร็จแล้วบอกนี่คือปฏิเวทแกเก่งนะแกะแจกแจงอริยสัจนะลงในญาณทั้ง3ามนะลงในปริยัตปฏิบัติปฏิเวทได้แจกแจงได้น่าฟังนะคือถ้าใจ ไม่เข้าถึงทำแท้ๆนี่นะแจกแจงไม่ได้อย่างเนี้ยแจกแจงออกมาจากใจจริงๆน่าฟังธรรมะที่ออกจากจิตใจส่วนธรรมะที่ออกจากสมองไม่น่าฟังนะแห้งแหลง <c oughs> แห้งแหลงจืดๆธรรมะที่ออกจากจิตใจนะโอ้สดชื่นได้ยินแล้วลึกแต่ธรรมะนี่แปลกนะคุณนา เราภาวนาไปพวกเรารู้สึกไหมบางครั้งเราเกิดความรู้ความเข้าใจนะัมันรู้สึกสึกรู้สึกลึกซึ้งมากเลยแต่พอเราถอยออกจากสภาวะนะั้นเราจะมาพูดเป็นคําพูดนะจะตื้นตื้นรู้สึกไหมธรรมะจะกลายเป็นของตื้นตื้นแต่เวลาที่เราสัมผัส ด, ด้วยใจแหมมันลึกซึ้งนะลึกลึกลึกลึกทำไงจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้บ้างพนะูดไม่ออกหรอ พอจะถ่ายทอดออกมานะถึงถ่ายทอดได้ก็แห้งๆแรงๆนะไม่ค่อยมีอะไรแต่เวลาที่ใจมันสัมผัสกับธรรมะโอ้มันลึกซึ้งถึงอกถึงใจมันถึงฆ่ากิเลสได้ถึงฆ่าสังโยชน์ตายได้มันประณีตกรรมฐานจริงๆไม่ยากนะให้คอยรู้กายรู้ใจตัวเองสิ่งที่ทำให้รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็ใจลอยไป การรู้กายรู้ใจต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจหลายคนชอบบังคับนะยังอ้างคำภีรด้วยนะบอกทุกให้กําหนดรู้นั้นต้องคอยกาหนดไปเรื่อยๆทั้งกาหนดรูปกําหนดนามเพราะนั้นพูดเราเองนะตัวบาลีไม่ได้แปลว่ากําหนดนะบอกทุกให้รู้ทุกเป็นของควรรู้รอบนี่ก็จะแปลให้ตรงกรับศัพท์ ทุกขังอริยสั จ, จ ย, ยังปรินย่อยังทุกเป็นของที่ควรรู้รอบรู้รอบก็คือรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่แหละทุกข์ล้วนๆนนรู้ความจริงของมันด้วยว่ามันเป็นไตรลักษณ์รู้ทั้งขันห้าแล้วก็รู้รอบเลยว่าขันห้านี้เป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์ให้รู้ถ้ารู้แล้วมันละสมุทัยเองนี่เรารุ่นหลังๆเลยชอบไปแปลนะ คือคนไทยไปแปลบาลีเนะี่ยบางทีแปลแล้วเติมคําให้เพลอๆเพลาะลมันเคลื่อนจากสภาวะเราชอบไปแปลว่าทุกข์ให้กําหนดรู้บางคนเลยเถิด น, นะสมูทัยให้กําหนดละอีกนะนี่โลดกําหนดให้แจ้งนะไปกันใหญ่เลยนะนั่นเป็นคําที่เกินมาจริงทุกข์ให้รู้รอบรู้ให้รอบรู้รอบในกองทุกข์นั่นเองแล้วก็รู้จริงในกองทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนอนัตตา อเชิญเชิญจานวนสิริข้างหน้าเลยนะข้างหน้าว่างว่างอยู่หนึ่งที่พอดีอเชิญได้สองที่เลยอะคุณตรงลุกให้<ม>เชิญนี้ข้างหน้านี้เบอร์ยี่สิบห้ากับเบอร์ห้าสิบเอ็ดพอเห็นกิเลสทั้งวันไห ม, ม, มเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยส่งใหม่นิดนึง เพื่อนฝูงได้ได้ยินด้วยปกติเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยจะจะทำได้สบายๆแต่เมื่อไหร่นั่งสมาธิก็มันเหมือนกับยังไปจ้องอยู่ซึ่งยอยากจะเรียนถามท่านว่าควรจะทํำยังไงเวลานั่งสมาธินะเคยชินแล้วก็เลิกซะก่อนหยุดไปก่อนไม่ต้องนั่งเลยแหละแต่ไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจใจได้รับความสุขความสงบก่อน แล้วเราเวลานั่งเราใช้เป็นลมหายใจแทนมันก็เหมือนสบายขึ้นใช้ได้ไมเป็ได้หรือบริกรรมก็ได้ยิ่งไม่มีที่เก า, าะใหญ่ถ้าถ้าทําได้นะบางคนก็ไม่ถูกกับการบริกรรมบริกรรมแล้วเครียดก็มีบางคนต้องเปลี่ยนคําบริกรรมนะบางคนบริกรรมพุทโธพุทโธเราเครียดเนละเคยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านสอนลูกศิษย์ท่านบริกรรมพุทโธนะลูกศิษย์หนุ่มๆเพิ่งมาบวช ราท่านก็พุทธโธพุทธโธไปแป๊บเดียวนะไปบริกรรมชื่อแฟนตกใจนะโอ้เรานี้ใจบาปหยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้าแนละ้วไปท่องชื่อแฟนแทนวิ่งมาหาถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธบอกบริกรรมชื่อแฟนไปท่านก็บริกรรมแหมคิดถึงชื่อแฟนนะสบายใจใจสงบใจสงบนะเห็นหน้าแฟนโปลยขึ้นมาด้วยนะ ม, มีภาพประกอบด้วยนะโอ้น่ารักจัง นันก็บริกรรมไปเรื่อยๆค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่นเป็นเรื่องของสมรรถนะนที่สุดเน่าให้ดูเลยไม่ยอมสึกจุดสําคัญคือใจของเราเราฝึกไว้ยังไงเขาก็ไหลไปตามความเคยชินเราเคยฝึกบังคับนะเขาก็พอเผลอตัวขึ้นมาไหนเขาก็กลับไปบังคับเรากำลังสร้างความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมาคือความเคยชินที่จะรู้สึกเอาไม่ใช่เคยชินกําหนด ให้เคยชินในความรู้สึกตัวใจเผลอไปบ้างรู้สึกบ้างเผลอไปบ้างรู้สึกบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะมีสติตลอดเวลาสติเกิดตลอดเวลาไม่ได้สติเป็นอนัตตาแล้วสติก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันสติเกิดเป็นครั้งเป็นคราวก็อพอแล้วแต่เกิดบ่อยหน่อยไม่ใช่วันละครั้งนี่น้อยไปเพราะครั้งหนึ่งมันเกิดสั้นนิดเดียวนะถ้าพูดแบบปริยัดก็คือเจขณะจิต แต่ในความรู้สึกของเราเวลาที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้แวบเดียวรู้สึกแม้สั้นมากเลยสั้นมากเรู้สึกได้ทีละแวบเดียวทีละแวบเดียวนี้สําคัญนะฝึกไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นครั้งใดมันก็คล้ายๆชีวิตเราถูกตัดขาดเป็นท่อนๆออกมาแล้วแต่เดิมชีวิตเรามีอันเดียวนะคือเผลอทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตั้งแต่เกิดจนตายเราหลงอยู่ในโลกของความหลง ของโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็ก ๆ, ๆก็เราคนเดิมรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราแต่ก่อนก็คนเดิมเราเดี๋ยวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมเนี่ยเราไม่สามารถล่าความเห็นผิดว่าไม่มีเราได้เพราะเราไม่เห็นความเกิดดับของจิตสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยลึกซึ้งที่สุดก็คือจิตนั่นเองเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่ง เราคนนี้ไม่เคยหายไปไหนเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆเราเดี๋ยวนี้ก็เราตอนเด็กๆนัเราคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามีสติวา่าขึ้นมาเราจะเห็นในชีวิตส่วนที่ผ่านมานี้ขาดไปแล้วเป็นอดีตไปหมดแล้วชีวิตเหานั้นหายไปหมดแล้วเกิดแล้วดับไปทั้งสิน้นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแบบหนึ่งความรู้สึกตัวก็ดับอีกอาจจะหลงใหม่หรืออาจจะเกิดความรู้สึกตัวต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ไม่แน่นอนเพราะเราเลือกไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจะมีสติหรือจะขาดสติเราเลือกไม่ได้นี่ทอมันมีสติะระลึกขึ้นมาอีกแป๊บหนึง่งสมมติว่าทีแรกเผลอไปแล้ว ร, รู้สึกตัวขึ้นมาความเผลอก็ดับไปเกิดความรู้สึกตัวเราจะเห็นเลยจิตที่เผลอก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวนี้เป็นอีกดวงหนึ่งคนละคนละไม่ใช่คนเดิมละเริ่มลาความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราจิตเที่ยงจิตมีตัวเดียว เราเริ่มเห็นว่าจิตนี้เกิดดับจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเหมือนกันไม่ใช่ฝึกเอาจิตที่รู้สึกตัวไม่ให้ดับนะหลายคนคิดว่าพระอราหันต์เนี่ยคือคนที่ฝึกจนกระทั่งจิตรู้สึกตัวไม่เคยดับไปเลยไม่ใช่จิตมีธรรมชาติเกิดดับยังไงก็ต้องเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปเกิดทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างอันนี้เป็นส่วนของวิบากจิต กรรมเก่าให้ผลมาก็เลยเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์ที่ดีถ้าอากุศลให้ผลก็ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีนี่เป็นส่วนของวิปัสสนาห้ามไม่ได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งใจก็กระทบกับความรู้สึกนึกคิดเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาอันนี้เป็นของใหม่ละของใหม่กรรมใหม่ ให้เราคอยเรียนรู้นะจิตใจเราจิตใจเราเดี๋ยวก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูนะเกิดทางใจคือหนีไปคิดก็มีสติขึ้นมาจิตที่ทางใจที่ไปคิดก็ดับเกิดจิตทางใจที่รู้สึกตัวขึ้นแทนจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6แม้ในทวารใจเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะมีจํานวนน้อยจิตส่วนใหญ่เกิดทางใจนะ จิตที่เกิดทางตานะก็มีแค่จักขุวิญญาณจิตมีที่เป็นกุศลกับอกุศลนะมีแค่นั้นแต่จิตจิตที่เกิดทางใจนี่มีนับไม่ถ้วนเยอะถ้าเราเห็นว่าจิตจริงๆแล้วเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะตัวเราไม่มีจะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราตอนนี้เรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีเราแล้วเรารู้สึกมันเที่ยงด้วย เราคนนี้ก็เราเมื่อวานเราคนนี้กับเราตอนเด็กก็คนเดิมฟังทำไปเรื่อยๆอยจนส <st ess> ติเกิดความหลงเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกตัวเกิดแล้วดับ <st ess> เห็นไปเรื่อย <system> ๆนะอะไรๆเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตที่หลงเกิดแล้วดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับนะจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตอิจฉาตาร้อนเกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยจะเห็นเลยจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอก แต่จิตเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆหาแกนสารว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงไม่มีเนีย่ยใจเข้าไปประจักษ์อย่างนี้ใจก็อ ย, ยอมรับความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีลําพังดูกายไม่พอนะดูกายไม่พอเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่ไม่พอทําไมหลวงพ่อว่าไม่พอไม่ได้พูดเราเองนะเราพูดทีเจ้าเคยสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสํานวนอาจารย์สุจินต้องดูกระระ ดุกราฟิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธด้วยปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะกายนี้มันแปรปลุนให้ดูง่ายๆนะเดี๋ยวคนนั้นแก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายตัวเราเองหน้าตาแต่ละปียังไม่เหมือนกันเลยมันจะรู้สึกได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา แต่ว่าท่านบอกว่าดูกราภิกสูตรทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ตรามใดที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่สักยัติที่ถีจะไม่ขาดสักยัติที่ถีต้องเห็นว่าขันห้าทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งจิตนี่ไม่ใช่เราจะมาสงวนเหลือแต่จิตเป็นเราอยู่เนี่ยสักยัติที่ถีตัวจริงจะไม่ขาดเพะฉนั้นจะให้สักยัติที่ถีคือความเห็นผิด ว่าจิตเป็นตัวเราขาดนะต้องดูมันบ่อยๆดูไปเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตตรงนี้ก็เกิดเดี๋ยวจิตตรงนี้ก็เกิดสลับไปเรื่อยๆนะเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเบอร์51รู้สึกไหมเบอร์51จําเบอร์ยังไม่ได้เมื่อกี้นี้ทําอะไรนึกออกไหมเมื่อกี้เนี้ยใช่จิตลงไปอยู่ในโลกของความคิดตับถูกแล้วถ้าคุณเห็นตรงนี้คุณภาวนาเป็นละ เพราะอะไรเพรคนทั้งโลกนี้นะอยู่ในโลกของความคิดทั้งโลกเลยนะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดายินปลอมอะไรเหมือนกันหมดอนะไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความคิดไม่ใช่ความจริงนึกอออกใช่มมันคิดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ความจริงอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้นะจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้ประกวดนะประกวดอาจจะเป็นก็ไม่แน่หรอกเอางนี้ถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็จะเห็นกายเห็นใจได้ ถ้าเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหรเราจะลืมกายลืมใจเมนะื่อนั้นตรงนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือหลงไปแล้วอย่าหลงนานหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกเรื่อยๆในสุดมันจะตื่นขึ้นมานะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเนืองเนืองรู้กายรู้ใจเนืองเนืองในที่สุดปัญญาก็เกิดขึ้นมาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจปัญญาคือตัวเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะเข้าใจว่ายังไง เข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นนีเป็นในโลกของความคิดแล้วทราบไหมอย่าบังคับตัวเองนะถ้าไปบังคับแล้วสิ่งที่ผิดมีสอ ง, งานหนละหลงไปอยู่ในโลกของความคิดกับบังคับตัวเองไว้กำหนดไว้ข่มไว้บังคับไว้ควบคุมไว้ถ้าเราบังคับไปจนแก่นะฝึกทุกวันบังคับทุกวันพอแก่แกเราเก่งนะ เราบังคับเก่งเรารู้สึกบังคับกายได้บังคับใจได้เช่นเราเดินได้5ชั่วโมงต่อกันเราเก่งล้หรือว่าโกรธขึ้นมาเราโกรธน้อทีเดียวหายโกรธแล้วเราเก่งแล้วถ้ารู้สึกกูเก่งกูเก่งนะแทนที่จะละอัตตาตัวตนนะและความรู้สึกมีอัตตาตัวตนกลายเป็นเพิ่มอัตตาตัวตนขึ้นไปแต่ว่าถ้าคอยรู้ความเกิดดับของกายของใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับเขา เห็นเลยเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราเบอร์ห้าสิบเอ็ดไปคิดอีกแล้วทราบไหมคิดตามที่หลวงพ่อพูดแต่ว่าไม่จําเป็นต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องหรอกสังเกตไหมที่ฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะเพราะคิดเอาเองฟังเราต้องคิดใช่ไหมถึงรู้เรื่องฟังเฉยๆไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เน้นให้ฟังรู้เรื่องหลวงพ่อเน้นให้หัดรู้สภาวะ เพราะงั้นพฟังหลวงพ่อพูดแล้วใจไหลไปคิดนะให้รู้ทันว่าใจไหลเป็นในโลกของความคิดนะอย่างเนี้เราจะเห็นไตร ล, ลักษณนะ์ไม่ต้อง ร, รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดก็ได้แต่เห็นสภาวะที่เกิดดับในใจของเราสภาวะที่เกิดดับในจิตในใจของเรานี่แหละคือครูที่จะสอนธรรมะพวกเราแต่ละคนไม่มีใครสอนธรรมะใครได้นะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะอยากรู้ธรรมะก็โอปะนัยโกน้อมเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองนะี่ ให้กายให้ใจแสดงใจรักให้ดูอย่าไปบังคับเขาพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายนักบังคับใจนึกออกไหมที่เราทํากรรมฐานแทบทุกคนนะไม่เฉพาะสํานักใดสํานักหนึ่งนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทําอย่างนั้นหลวงพ่อฝึกหายใจอยู่22ปีก็ฝึกบังคับตัวเองเท่านั้นฝึกบังคับกายบังคับใจพอเข้าใจคําว่าวิปัสสนานะีมันแค่รู้กายรู้ใจไม่ใช่บังคับรู้ก็คือไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเอง แล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งกายเพ่งใจนะรู้เรื่อยๆรู้สบายๆอาจารย์นวนสิริเป็นไงบ้างในไมโครโฟนวางวางวางนเมืม่อสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่ในช่วง ก่อนหน้านี้เป็นเป็นปีแล้วที่มีความรู้สึกอยากพ่นทุ ก, ยกอยากโน่นอยากนี่ในในสภาวะที่นั่งตรงนั้นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ า, าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ตรงนั้นมันก็เกิดความรู้สึกแล้วเราก็วางลงไปมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากไม่แล้วไม่อยากคือจิตมันบอกเสร็จแล้วก็วางลงไปพอตรงวางลงไปนั้นมีความสึก จะไม่ไม่อธิษฐานขออะไรต่างๆอีกแล้วก็วางไปปับ๊บสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนกายเนี่ยคล้ายๆเป็นปูนปัสเตอร์ที่เป็นวัตถุแล้วก็ข้างในกลวงแล้วจิตมันเหมือนก็เราแวบเข้ามาแล้วก็จะแวบออกไปมันก็จิตมันก็ปรากฏว่ากายเป็นเพียงเครื่องอยู่โยมก็เอ๊ะแปลว่าอะไรรูเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราเดินเข้าเดินออกในร่างกายของเราคือ มันไม่ใช่ใจมันมีความรู้สึกว่าไม่ไม่เอาร่างกายคล้ายๆอย่างนั้นว่ามันมันไม่ใช่สิ่งทาวเรแต่ตรงตรงที่บอกว่ากลายเป็นเครื่องอยู่นะั้นมันเห็นชัดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คื อ, อจิตมันไปจับคือเมื่อก่อนหน้านั้นสองสาวันโยมอ่านหนังสือพิมพ์สองสเรื่องแล้วจิตไปเศร้าหมองแลิศก็หงุดหงิดกับเรื่องบางเรื่องที่อ่านผ่านทางหนังสือพิมพ์ ในขณะที่นั่งตรงนั้นมันแวบเรื่องเก่ามาให้เห็นมันเห็นจิตไปจับอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นความเศร้ามองของตัวเองและความเกิดดับมันเกิดขึ้นเร็วมากในขณะที่เห็นตัวเองไปเศร้ามองอยู่ตรงนั้นยังไม่ทันได้กี่นาทีเลยจิตไปจับอีกตัวหนึ่งแล้วเศร้ามองแล้วเราเห็นจิตมันทาตลอดเวลาแล้วทาให้เราทุกทุกทุกทุกทุกอย่างที่จิตไปแตะนี่มันทุกหมดณวินาทีนั้นโยมมีความรู้สึกไม่อยากเอาจิต ก็เลยแล้วก็เลยตุดออกมาจากคือแต่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้น hmm. แต่มันเกิดที่กายก่อนว่า hmm. ว่าไม่เอาคือ hmm. เป็นเพียงเครื่องอยู่มันประจางขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาไม่ไม่ใช่ hmm. แล้วพอมันมาเป็นตรงจิตเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวจิตเข้าไปแตะนี่มันทุกหมด hmm. แล้วตรงวินาทีนั้นก็คือไม่เอา hmm. แล้วก็ ยังไม่ทันจะหมดเรื่องนี้มันไปจับเรื่องอื่นทุกอีแล้วมันเห็นความเกิดดับเร็วมากแล้วจากเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนี้มันทําตลอดแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาเราไม่ต้องการนี่ก็คือเราไม่เอาเร็วไปนิดนึงค <c oughs> เราไม่เอาเร็วไปนิดนึงอ๋อแค่ไม่าดอีกหน่อยเดียวก็จะมาส่งมันกระบวนการของมันเนี่ยไม่จบดีแล้วล่ะโยมฝึกได้ขนาดนี้ไม่ไม่ธรรมดานะมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย เจ้าบอกว่ากายเป็นคูหาเป็นถ้ำไม่ฝึกไหมให้จิตอาศัยอยู่จิตเนี่ยเที่ยวไปรวดเร็วรู้สึกไหมเที่ยวไปรวดเร็วจิตตัวมันเองห่องใสประพัดสอนเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดมาเป็นคราวๆพรอจอดมาจิตก็จับปั๊บทุกจับทีไรทุกทุกทีทุกทุกทีเลยนั่นแหละธรรมมาล้วนๆเลยที่โยมพูดนะดีแล้วแต่มันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกว่าจิตนี่คือความทุกข์ล้วนๆเพิ่งเจ เนี่ยถ้ารู้แจ้งรู้จริงนะจะวางลงไปเขาจะวางจิตนะวางจิตตรงที่วางจิตลงไปเนี่ยเราจะไม่หยิบเวยอะไรขึ้นมาอีกมันเพราะว่าจิตเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดดีนะภาวนาจารนวนสุรินี่บางคนเข้าใจผิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องไปทําอย่างเก่าก่อนถ้าจริงๆถ้าทําอยู่อย่างเดิมนะมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้หรอกนี้คนจะเข้าใจผิด อย่างเคสอาจารย์นวลสรีนะคนจะไปพูดกันบอกตำนองบอกว่านี่อาจารย์นวลสิรีทํามาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทํามาอย่างเก่าที่จริงมันคนละทางกันทางหนึ่งเนี่ยนะสติระลึกรู้อีกอันนึงสติกําหนดคนระอันกันสติระลึกรู้ระลึกขึ้นเองรู้ขึ้นเองอีกอันหนึ่งสติกําหนดจงใจกําหนดสมาธิก็ต่างกันสมาธิอันนึงจิตตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ไหลไป สมาธิ อ, อันหนึ่งจิตไหลเข้าไปเช่นไปรู้ท้องจิตก็ไปอยู่ที่ท้องไปรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นดงนั้นสมาธิอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธิอันหนึ่งเข้าไปตั้งแช่อยู่กับตัวอารมณ์เนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลับข้างกันกลับข้างกันคือโยมเข้าใจว่าที่ไปปฏิบัติมาสามปีนั่นสามเกือบสี่ปีนั่นก็คือให้ให้จิตนิง่งแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้น ก็เลยมุ่งไปตรงนั้นแต่แต่พอมาฟังทำของหลวงพ่อแล้วก็กลับพอกลับการปฏิบัติแล้วมันก็ก็เกิดสภาวะต่างๆจริงๆแล้วมันคือเส้นผมบางผูกเขานิดเดียวเส้นผมบางผูกเขานิดเดียวเลยธรรมะนี้ง่ายที่สุดเลยแต่ว่าสวนกระแสกระแสของจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะไหลออกไปจับอันโน้นจับอันนี้อันนี้เราจะเห็นเลยถ้ากระแสของจิตไหลไปจับอะไรนิดเดียวความทุกข์ก็เกิด<ม>เลย ตัณหาอุปาทานตัณหาก็คือความทยานของจิตที่ทยานไหลออกไปอุปาทานคือจิตมันเข้าไปแตะต้องตัวอารมณ์นะเข้าไปจับปั๊บนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยนะไม่ว่าจิตจะไปแตะอะไรความทุกข์ก็เกิดทีนั้นเลยเนะนี่ยโยมเห็นอย่างนี้นวิเศษมากแบบตกใจแล้วตรงนั้น <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่อยากเอามันเลย <c oughs> แต่ก็ไม่ทราบจะทำยังไงต่อไม่ได้ต้องต้องเอามันเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปจนเขาวางของเขาเองนะเรียนรู้ไป ถ้าเรายัางคิดว่าไม่เอาไม่เอาเนี่ยเพราะมันยังมีตัวเราอยู่เราไม่เอาดีภาวนาเก่งมากนะจริงมันกลับข้างกันนิดเดียวมันเส้นผมบางภูเขานิดเดียวอันหนึ่งออกนอกอันหนึ่งเข้ามารู้อยู่ที่ตัวเองอันหนึ่งตั้งมั่นอันนึงเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่อารมณ์อันนึงตั้งมั่นสักว่ารู้อารมณ์อันนึงงระลึกรู้ขึ้นเองอันนึ่งกำหนดให้รู้นะนะสภาวะธรรมมันกลับข้างกันหลายตัว แต่ว่าอันอย่างเดิมที่ทํามาได้สมถะนะได้สมถะสมถะเนี่ยถ้าเราต่อวิปัสสนาเป็นก็มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าสูตรเปล่านะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเจริญปัญญาเท่า น, นั้นเองแต่มีประโยชน์ก็เป็นกําลังเหมือนกันอนุโมทนานะทําไปเอาให้ได้นะไม่ยากแล้วเห็นเรื่งขนาดนี้ กายนี้เป็นกูหาให้จิตอยู่จิตนี้เที่ยวอาศัยอยู่ในกายนีเที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปเร็วมากเที่ยวไปทำอะไรเที่ยวไปยึดอารมณ์นั่นเองเที่ยวไปเสพอารมณ์จับโน้นจับนี้ไปด้ยนึกว่าจะหาความสุขเที่ยวตะครุบโน้นตะครุบนี้ตะครุบทีไรนะยึดทีไยก็เป็นภาระยึดทีไรเป็นทุกข์ร่าไปยึดทีัยเป็นทุกข์ร่าไปนี่ธรรมะที่พระเจ้าสอนตรงเป๊ะๆหมดเลย จะเห็นอย่างโอ้มันซาบซึ้งถึงใจนะเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดมันก็งันๆแหละแต่เวลาที่เข้าไปประจักษ์กับสภาวะนะโอมันอัศจรรย์นะซาบซึ้งถึงใจมันซาบซึ้งถึงใจขนาดนั้นะมันถึงฆ่ากิเลสได้ลำทางเข้าสมองแล้วมันตื้นไปหมดธรรมะดีละของโยมเป็นไงส่งกันบ้านเอาไมโครโฟนนะก็หลังจากพบท่านที่้ลงพอเจ้าค่ะ จันวลสริรู้สึกไหมในนี้มันโล่งมันเบาไปหมดดีภาวนาตาไปอย่างเดิมนี่นะไม่ใช่ไปทําอะไรเกินกวันนี้ขึ้นมานะไม่เกินกว่ารู้นะไม่เกินกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ให้มันะระลึกรู้ขึ้นมาระหว่างรู้นะ่ะสักว่ารู้ไม่กระโจนลงไปรู้ไม่ถลําลงไปเมื่อรู้แล้วไม่ทําอะไร พอเรารู้สภาวะจิตมักจะเกิดความยินดียินร้ายยินดีก็อยากทํำคือไปรักษาไว้ยินร้ายก็อยากทํำคือไปผลักมันให้เรารู้ทันในสุดใจเราเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางเรารู้ว่าถ้าเรายินดียินร้ายขึ้นเมื่อไรจิตเกิดการทํางานเ ม, มื่อไรเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในสุดจิตจะเกิดปัญญารู้เลยถ้าจิตปรุงแต่งแล้วจิตจะทุกข์นะจิตจะเลิกการปรุงแต่ง หรือแต่สภาวะรู้รู้ล้วนๆเลยแล้วแล้วตัวที่เข้าไปไม่อยากเอาตรงนั้นมันคือตัวอะไรจ๊ะก็ตัวรู้ตัวโทสะตัวโทสะมันไม่อยากเห็นไหยอ๋อค่ะเห็นเห็นเพราะว่าเป็นพื้นมีมีโทสะโทสะอ๋อคือตัวที่ไม่อยากเอาก็คือตัวโทสะตรงนั้นก็ต้องดูก็คือโลภะให้รู้ทันตัวนี้นะให้รู้ตัวตัวโทสะใจจะเป็นกลาง สรุปง่ายๆนะจันนนท์สริเมื่อใจรู้รธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้ทันที่ความยินดียินร้ายนี่แหละเขาดับของเขาเองเราอย่าช่วยเขาดับนะถ้าอยากให้ดับอีกเนี่ยเราก็ยินร้ายซ้อนขึ้นอีกตัวหนึ่งละรู้ไปเรื่อยดูเขาเล่นละครจรันนท์สริดูออกแล้วใช่ไหมเห็นเขาเล่นละครแล้วใช่ๆนั่นแหละเขาเล่นละครให้ดูแลนะคือคื อ, ค อ, คอเคยอ่านใน ห, หนังสือแล้วเพราะมัน มันเข้าใจแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะก็หลังจากเจอท่านที่เบริกราสองสามปีก็นำของท่านไปปฏิบัติแต่มันก็ยังหลงก็คิดอยู่เรื่อ ย, อยอกระทบเรื่องงานอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแต่พอได้พบหลวงพ่อ ใช่เจ้าคะ่ะแล้วก็พรครูบาอาจารย์รู้สึกเดียงเดินเข้ามาเนี่จิตรู้สึกเหมือนมันตื่นสดชื่นเบกิกบานเดี๋ยวสักแป๊บมันก็แว บ, บไปคิดอะไร อ, อ, อย่างเงี้ยเจ้าค<ช>่ะแล้วยิ่งกระทบยิ่งงานคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะมันก็จะหลงเอ๊ะทาไมเราเกิดอะไรหงุดหงิดอยู่อยู่เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเ<ช><ะ>จ้าค่ะสังเกตไหมบังคับไม่ได้เจ้าค่ะนะบังคับไม่ได้ดูไปเลยจิตใจนี้ไม่ใช่เราหรอกทางานได้เองเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิด ทำงานได้เองเดียวมันสุกมันทุกข์มันดีมันร้ายมันเป็นเองบางทีก็รู้สึกโกรธตัวเองว่าทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันคิดนานจังเลยเดี๋ยวก็รู้สึกทุกข์ให้รู้เท่าที่เป็นไม่ไม่ใช่ว่าหลงไปนานๆแล้วเป็นโมโหมันรู้อย่างที่มันเป็นให้ตามดูรู้ดูดูอย่างเป็นกลางจริงๆนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียของโยมยังดูอย่างมีส่วนได้เสียเช่นพอเห็นหลงนานๆไม่ชอบเจครู้สึกอย่างนี้ไม่ดีค วันไหนจิตใจปลอดโป่งโล่งเบาเนี่ก็แบบมีส่วนได้เสียแล้วรู้สึกเราสบายอยากให้อยู่นานๆเราต้องดูแบบดูอย่างคนมงนอกเลยดูอย่างคนไม่มีส่วนได้เสียเลยช่วยส่งไม่ไปทางนี้หน่อยนะนะโยมเบอร์ห้าเป็นไงภาวนะากับผมขนาดที่เดินแล้วก็ภาวนาไปด้วยเนี่ยครับก็รู้สึกว่าจะ จ ะ, จ, ะจะเร็วขึ้นดีที่โยมทําอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะดีแล้วทําไปเรื่อยๆอย่าเลิกนะเนี่ยแต่พอเวลามามานั่งฟังพระตรัสกูนะครับก็จะจะหลุดบ่อยๆอให้เรารู้ทันนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้จิตหลุดไปไม่ห้ามนะยิ่งหลุดบ่อยยิ่งดีไหลายแบบแล้วรู้สึกหลายแบบแล้วรู้สึก เราจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไปรักษาให้เดินจงกรมรักษาให้นิ่งไม่ยอมไปไหนเลยจะได้สมถะได้ความสงบนะแต่ถ้าเราเห็นไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึ ก, สกจะเกิดปัญญามันไม่เที่ยงผ ม, ผม ไ, ปไปฝึกปฏิบัติที่ไปคือไปไ ป, ไปที่น่า ก, กลัวนะครับเราช่วงแรกเนี่ยมันกลัวมากเลยอะไรนะ ในที่ที่น่ากลัวฮะก็คือไปฝึกปฏิบัติช่วงแรกนี่กลัวมากก็เลยกําหนดกําหนดรู้สิ่งสิ่งที่เห็นก็คือจิตออกไปเนี่ยเราเราตั้งว่าเป็นหนูสติเนี่ยเราคือแมวจะวิ่งตลอดเลยฮะแล้วก็ตะคุบตะคุบตลอด อ, อยู่องั้นจนประมาณสี่ห้าชั่วโมงอยู่ๆจิตก็คายออกมาเองอืก็เลยรู้ว่าจิตนี่เราบังคับไม่ได้อเืเขาจะเขาจะกลัวเขาก็กลัวเขาเองชต้องนานสักพักหนึง่ง เขาลูกเขารู้ตัวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาว่าคลายตัวเองเขาเองแต่ก็ยังก็ยังกลัวแต่ก็ยังคลายคลายออกมาน้าดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ปฏิบัติไปบางครั้งมันเหมือนจิตมันไม่มีน้ำหนักเบาๆครับคือเคยเห็นกายเป็นขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขนางนี้ไม่ใช่นะไใช่นี่ไม่ถูกนะขนาดนี้เกาะๆอยู่ ก็เหมือนเป็นเป็นอะไรที่ไม่มีน้ําหนักอมืมันมีน้ําหนักขึ้นมาเพราะเราไปหยิบฉวยไปยึดไว้อย่างกระติกนี่มีน้ําหนักไหมเนี่ยถ้าเราถือมันถึงจะหนักใช่ไหมถ้าไม่ถือมันก็ไม่หนักหมอตุก๊กเบอร์สี่สิบเจ็ดแชกกลัวแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่โดนส่งกันบ้าน<อ>รู้สึกมันปร่งปลงสบายต้องไง ก็ยังมัวแล้วก็ใจไม่เป็นกลางยังมีส่วนได้เสียอ่ะดีดูไปส่งต่อไปเไมที่มาใหม่ๆนะหลวงพ่อไม่ว่าเลยนะสภาวะอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ว่าเลยสักค า, าขอให้เห็นทนะ่านนะค่ะก็รู้สึกื่เต้นค่ะอยบอกให้ <laughs> ต้องไงอีก ก็ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าบางครั้งจะรู้สึกว่ามันมันง่ายเหมือนที่หลวงพ่อบอกแต่มันก็ยังยังไม่ยังไม่เป็นอย่างนั้นตลอดนะคะบางทีมันก็แบบไปทําเหมือนอย่างที่เคยอยู่คือการปฏิบัติเนี้ยนะเป็นทุกคนนะจําไว้เลยไม่ต้องตกใจบางวันเนี้ยสติสมาธิปัญญาเกิดทียิบเลยเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละอีกนิดนึงก็ถึงละ อีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยทําอะไรไม่ถูกเลยจิตมันสอนความจริงให้น ะ, น, น, ะนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องตกใจก็ทำของเราไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็หายไปเลยถูกต้องเลยแบบนี้ค่ะช่วงนี้จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าถูกปัญคาแต่จะเหมือนกับอย่างที่ตะกี้ที่หลวงพ่อว่าคือเหมือนกับ เราภาวนาอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็จะมัวๆค่อนข้างมากแล้วก็บางครั้งที่เหมือนจะมีสติขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะเห็นว่าเหมือนกับเราเกรงตัวเองหมดเลยแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะคะเจนนวลสิริยอย่ถลําเข้าไปนะถูกแล้วดูไปอ ย, อย่างไร้ดูไปอย่างที่ เ, เป็นไม่แทรกแซงเขา มันเป็นยังไงก็ได้ล้วนแต่แสดงใจรักทั้งหมดเลยรู้สึกไหมไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกตะกี้คือเหมือนกับเรารู้สึกเหมือนเราภาวนาอะไรไม่เป็นเลยเคือเหมือนกับแทบจะไม่เห็นอะไรเลยทั้งวันไม่เป็นไรถ้าทำอะไรไม่ถูกนะทำสมถะสมถานี้เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายเวลาทำอะไรไม่ถูกทาสมถะ ก็ทําสมาธิไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขกลับมาดูได้แล้วหรือว่าทําสมาธิไปสักพักหนึ่งเห็นจิตใจฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านก็นี่ก็ดูได้ละก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะค ะ, ะตื่นเต้นแล้วก็เห็นไมมความตื่นเต้นไม่คงที่พอไมโครโฟนใกล้เข้ามาความตื่นเต้นก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมพอจับแล้วรู้สึกไหมมันก็งั้นงั้นแหละ แล้วก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นว่าตัวเองไม่ดีขนาดนี้นะคะ่ะก็เริ่มเห็นว่าเออบางทีบางทีพูดอะไรไปเนี่ยเราเราคิดว่าเราคาพูดมันดูเหมือนสุภาพแต่จริงๆแล้วคือเราเราตั้งใจไม่ดีไปในคําพูดก็เริ่มเห็นว่าว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจไม่ดีเออดีแล้วนะดีแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าสอบได้ดนะีการที่เราเห็นกิเลสตัวเองนี่ดีมากเลย คนแต่ละคนจะเข้าข้างตัวเองเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีนะแต่พอมาหัดภาวนาเราจะรู้เลยเราร้ายจริงๆ ร, ร้ายกว่าที่เรานึกไว้กระทั่งคำพูดคำจานะดูเหมือนธรรมดาเนี่ยแอบเชิดเฉือนไว้หน่อยๆบางทีบางทีไปชมเขาแต่ว่าใจจริงเนี่ยจะอยากกันแน่กันแหนอะไรเงี้ยมีได้ทั้งนั้นแหละงั้นเราดูของเราให้ชนานาญนะต่อไปเราก็รู้ของคนอื่นได้ด้วยนะ เขามาพูดกับเราเนี่ยพูดจริงไม่จริงเราก็รู้นะอา้าวทางนี้แล้วนี่คุณหมอมีเลยเอ้าเวเบอร์แปเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะว่าคือพยายามภาวนาทำเหมือนเหมือนกันทุกวันแล้วบางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ก่อนนี้เข้าใจผิดที่ว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ค่อยได้ทําหรือเปล่ามันถึง ไม่ดีแต่นะเจนนนทริอย่าบังคับตัวเองบังคับขึ้นมาละโดดไหมแต่ว่าเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่ามันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะเออเป็นของมันเองถูกต้องแล้วที่ใช้ทําได้นะที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วแล้วหมอทุรีครับคือดูจิตไปหลายปีมันไปติดอยู่ตรงที่ไปติดอยู่ตรง ไปดูจิตสังขารก็ไปแช่อยู่นนจนวันหนึ่งมันก็ไม่เอามันเห็นว่าไปแช่แล้วมันก็ทุกข์มันก็ถอนมันนิดหนึง่งมันจะมาอยู่ระหว่างจิตสังขานกับตรงกลางหน้าอกฮะมันอยู่ตรงนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์รู้สึกสบายๆเป็นกลางเราไม่ได้ฝึกเอาทุกข์หรือเอาไม่ทุกข์หรอกเราฝึกเพื่อให้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเรา ดูไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวทํางานไปนะเหมือนเราดูเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งเด็กคนนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเด็กคนนี้เดี๋ยวก็ร้องไห้เดียเด๋ยวโลบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียวันหนึ่งเราก็รู้เลยโอจิตใจเรามันทํางานได้เองสารพัดเลยนะเหมือนเด็กเกเรคนหนึ่งทํางานโยเยโยเ ย, ย, ย, ย, ยได้ทั้งวันอะ่ะหนึ่งวันนึงรู้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเป็นไอเด็กเกเรที่ไหนก็ไม่รู้แอบมาอยู่ในบ้านนี้ครับเพิ่งเริ่มหัดฝึกครับผมบางทีมันจะเห็นเป็นก้อนๆ น, นะครับออไม่รู้เรียกว่าชื่ออะไรก้อนๆ น, นั้นนะคือเป็นวิบากเป็นผลของการกระทำกรรมของเรานะตัวนั้นเป็นก้อนทุกข์นะเราแก้ไม่ได้หรอกทุกข์นี่ต้องทนเราต้องรับใช้เอาเพะทุกข์เป็นวิบากมันเกิดจากการที่เราพยายามบังคับตัวเองนะเกิดจากการบังคับตัวเอง จแน่นแน่นขึ้นมาถ้าบังคับแรงนะก็แน่นมากบังคับน้อยหน่อยก็แน่นน้อยหน่อยไม่บังคับก็ไม่แน่นหรอกเป็นผลน่ะปัญหาหนักตอนนี้ผมคือเรื่องศีลห้าครับผมอะไรนะปัญหาใหญ่ตอนนี้คือศีลห้าครับออรรจะหนักทั้งข้อห้าครับจะเกรงใจเพื่อนผมไม่รู้จะทำาไงดีเหมือนกันครับต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมัยหนุ่มๆอย่างพวกเราอะ่ะเวลา ทำราชการเนี่ยผู้ใหญ่มันชอบกินเหล้านะแล้วเรียกเราไปนั่งโต๊ะด้วยเรากินกับสิเลยวุ่นทวนแข็งแรงให้เขากินเหล้าไปเขากินเหล้าเรากินโซดาค่อยๆเปลี่ยนไปพอนานๆไปเขาเห็นเราไม่เอาจริงๆนะเขาก็ตามใจเขาก็ยอมใครอยากคบเราก็คบใครไม่อยากคบเพราะเราไม่กินเหล้าเขาไม่อยากคบก็ช่างเขาไม่เห็นจะน่าคบด้วยเลย แล้วอย่างพอเราโตขึ้นไปโตขึ้นไปนะต่อไปใครมานั่งโตเรานะไม่มีใครกล้ากินเหล้าเลยกลับข้างกันนะมันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของเราด้วย อ, อย่างถ้าเราสมมติเราทำธุรกิจต้องไปเลี้ยงลูกค้าอะไรเงี้ยให้ลูกค้ามันกินเหล้าไปเราบอกเราไม่กินน ะ, ะ, ะถ้ามันไม่พอใจก็อธิบายให้มันฟังเนี่ยทำธุรกิจกับคนมีศีลธรรมมันดีแล้วนะ นี่หลังมันก็เข้าใจนะออใหม่ๆก็ลำบากหน่อยสีนจำเป็นนะสินจาเป็นคนไหนถือสีนได้มีเครดิตในตัวเองนะอย่างคุยกับลูกค้าแลาวบกทาธุรกิจกับคนมีสีนมันสบายใจได้นะอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเราง่ายเผือเราทุ่มสนะก็โกงเขาได้ง่ายนะแต่อยากไปโกงเขานะ รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นกิเลสอะไรเท่าไหร่อะค่ะแล้วเห็นอะไรบ้างนะบางวันก็แบบรู้สึกว่าขี้เกียจบ้างแบบพอรู้ตัวมันก็เหนื่อยบางวันก็แบบรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี like ้ข like anyway okay. <c oughs> ี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเคยกลัวไหมเคยเคยเกลียดไหมเคยค่ะรู้จักกังวลมกังวลรู้จักค่ะเคยอิจฉาบ้างไหมบอกตรงๆเคยค่ะเคยเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมว่าจริงๆการดูจิตนั้นง่าย เพาสภาวะทั้งหลายนี่เป็นสภาวะที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วหน้าที่เราตอนนี้ก็แค่ว่าตอนนี้สภาวะอะไรกําลังปรากฏอยู่คอยรู้บ่อยๆหน่อยถ้ารู้บ่อยๆหน่อยนะอกุศลทั้งหลายจะครอบงําเราไม่ได้คอยรู้เรื่อยๆนะเด็กเล็กๆยังเรียนได้เลยเด็กมันก็รู้จักนะหลวงพ่อเคยถามเด็กรู้จักกลัวไหมรู้จักรู้จักกังวลไหมเราเนื่ว่าผู้ใหญ่แล้วกังวลนะนึกว่าเด็กกังวลไม่เป็นเด็กรู้จักว่ากังวลเป็นยังไง เด็กรู้จักนะไม่ใช่ไม่ไม่กังวลหลวงพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเด็กรกุ้มใจนะไม่ใช่ไม่รุ้มเด็กก็รู้เรื่องถามเด็กรู้จักอิจฉาไหม เ, เด็กหันไปมองน้องหน่อยหนึ่งมีน้องมาด้วยรู้จักค่ะรู้จักถมรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันตอนนี้มองหน้าแม่ไม่กล้าพูดลนะกลัวแม่รู้ความจริงกนะ็จริงจริงแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันนะเด็กก็รู้นะ เพราะงั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆความรู้สึกอะไรของเราเกิดอยู่ตอนนี้เราก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเช่นเราฟังธรรมะของหลวงพ่อพูดแล้วฟังแล้วงงไปหมดแล้วรู้ว่ากําลังงงอยู่นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติงงอยู่รู้ว่างงดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจนะกลัวรู้ว่ากลัวความรู้สึกอะไรเกิดอยู่ก็ค่อยรู้ไปเรื่อยในส่วนเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดนี่เป็นของชั่วคราว เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกขมาแล้วก็ไปนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยเราก็จะเห็นเลยชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ทเที่ยงแท้ถาวรเพราะงั้นต่อไปเรารเผชิญกับความทุกข์เราจะไม่ทุรนทุรายเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าความทุกข์เปนชั่วคราวเวลาเราไปประสบความสําเร็จเรามีความสุขอะไรขึ้นมาเราก็ไม่หลงระเริง เราก็รู้ว่ามันชั่วคราวนะใจจะค่อยเป็นกลางอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นอยู่กับโลกแบบเข้าใจโลกก็บาดเจ็บน้อยหน่อยอยู่กับโลกแบบไม่เข้าใจโลกก็บาดเจ็บเยอะหน่อยจันนวนสิริหนีไปแล้วนะจันนวนสิริใครรู้ทันตรงที่ใจเคลื่อนถลําไปขอจันนวลสิต้องดูสบายๆต้องสบายกว่านี้อีกจงใจเกินไปนิดหนึ่งนะ ไปถึงไหนวันนี้ก็เห็นความตื่นเต้นระหว่างที่ไม่กาลังค่อยๆมามค่ะว่ามันไม่เที่ยงมันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆพอหลวงพ่อพูดเล่นนะคะอตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วทุกวันก็คือคิดว่าทําเหมือนเดิมอะค่ะแต่แต่ละวันเนี่ยบางวันก็รู้สภาวะทำได้เยอะบางวันก็ไม่เหมือนไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะคะ่ะเออนะมันคงไม่เที่ยงหรอกสติเองก็ไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้ทุกวัน นะสติเกิดมามันก็เห็นสภาวะสติไม่เกิดก็ไม่เห็นสภาวะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะดูไปอย่างนั้นในี่ยในสุดเราจะเห็นอะไรทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของที่จะเอาไว้ได้นะไม่ได้เอากะทั่งสติเนะี่ยมาครั้งนี้มาครั้งแรกค่ะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยมากับหลานชายกับพี่สาวค่ะไหนล่ะหลาน อ, อ๋อมากับปอะ แต่ว่าในชีวิตปัจจุบันเนี้ที่ทํางานอยู่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็มีสมาธิพอสมควรมไม่ให้ไม่ให้จิตมันพาไปว่าไม่ให้เโกรธมากไม่ให้เราอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่างนี้งงค่ะได้ยังไงก็ยังดีนะเราก็อยู่กับโลกได้อย่างเป็นคนดีขึ้นค่ะก็คือพยายามทําให้ให้มันมั น, ม, นมันมีน้อยที่สุดที่จะจะน้อยได้ถ้าถ้ามันเป็นวันไหนก็อาจจะ มีสักสองวันแล้วก็จะพยายามทาให้หายเออนะดูไปอย่างนั้นค่ะให้ดูไปเรื่อยๆค่ะก็ะะดีนะชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันนะแต่ละปีอะไรเงี้ยให้มันมีพัฒนาการทางดีบ้างก็ยังดีไม่ใช่พัฒนาการแย่ลงเรื่อยๆนะดีแล้วให้ทำไปเอาซีดีหลงพ่อไปฟังนะฟังเยอะๆนะ แล้วเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ประณีตยิ่งกว่านี้การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่แค่ว่าให้โกรธน้อยลงให้อะไรหรอกอยากโกรธแค่ไหนก็โกรธได้นะแต่สติรู้ทันความโกรธไม่ครอบงำจิตแยกกันอยู่สบายกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยจิตเป็นอิสระไม่ถูกอะไรครอบงำเอออาทิตย์ที่ผ่านมาก็แบบบังคับน้อยลงอะครับแต่มันยังบังคับอยู่บ้างอะครับ เบอร์ห้าสิบเอ็ดใจลอยไปแล้วนะเบอร์ยี่สิบห้าเป็นไงมั้งดีดีละดีละคือหลวงพ่อเนี่ยนะจะประคบประงมนักเผยแร่ามากเป็นพิเศษเพราะนักเผยแ่เนี่มีความสำคัญนะเราสืบอายุศาสนาก็ได้เราลดอายุศาสนาก็ได้เ <c oughs> นั้นเราต้องศึกษาให้ดี ศึกษาเรื่องการเจริญสติให้แม่นๆ่นะสังเกตเธอคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้ไปสอนนะว่านั่งท่าไหนเดินท่าไหนหายใจมีกี่จังหวะอะไรเงี้ยไม่มีหรอกธรรมะที่ท่านสอนนะซื่อๆตรงๆนะเช่นกายนี้เหมือนถ้ำนะจิตมาอาศัยอยู่จิตเที่ยวไปรวดเร็วนะจิตตัวมันผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมานะนี่ท่านสอนให้หัดดูสภาวะทั้งหมดเลย ถ้าที่เรานะีหัดดูสภาวะของจริงๆไปวันนึงก็เข้าใจอริย ส, สัจสีเข้าใจธรรมะที่ท่านบอกนะนี่พวกเรารุ่นหลังเนี่ยเราลําบากธรรมะมันมันเฟือมันเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเยอะแยะเลยอาจารย์ชั้นหลังๆท่านชอบสอนอุบายของการปฏิบัติให้กําหนดอย่างนี้สิรู้ท้องทําอย่างนี้นะรู้เดินจงกลมมีเท่านี้จังหวะขยับมือมีเท่านี้จังหวะนะหายใจเข้าหายใจออกมีฐานของลม หฐานเจฐานอะไรต่ออะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยจะมีคําสอนชนิดนี้เต็มไปหมดจนกระทั่งเราไปติดกับคำสอนพวกนี้จนลืมคำสอนแท้แท้ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูสภาวะอั ด, ดูสภาวะไปเถองง่ายที่สุดเลยง่ายทําไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเราว่าเดินจงกรมให้เดินท่านี้ท่า น, นี้ท่านสอนไม่เป็นหรือไงท่านไม่สอนเพราะว่าท่านเห็นว่าไม่จําเป็น ของเรารุ่นหลังกลับเป็ว่าต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกต้องเดินอย่างนี้แหละจําเป็นนี่เรากลับข้างนะนี่เราจะมีความเชื่อความคิดอะไรที่เป็นของเราเองที่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เยอะแยะเลยท่านสอนธรรมะง่ายๆท่านสอนอริยสัจเงี้ยคารวะไปหาท่านท่านจะสอนอนุ ป, ปุปพิกถาสอนอริยสัจสี่หรือสอนเรื่องการปฏิบัติก็เรื่องสติปัฏฐานเรื่องง่ายๆนะ ที่สูทั้งหลายนะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ไม่ได้มีท่านั่งนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่คบว่ารู้ว่านั่งอยู่หมายถึงอะไรรู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เรานะรูปมันนั่งอยู่นะรู้แค่นั้นเองตัวที่เดินอยู่นะก็รู้ว่าเดินอยู่รู้ว่าอะไรเดินรูปมันเดินวัตถุ ก, ก้อนธาตุนี้เคลื่อนไหวไปใจของเราอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนดูทนดทนเทนะ่านั้นไม่ได้มีท่าเดินนะท่านไม่ได้สอน นี่ของเราจะไปติดเอาคําสอนของอาจารย์ชั้นหลังๆมาจนเราบางทีเราลืมเนื้อแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนไปเนื้อแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายนะง่ายเวลาคนที่ฟังทำจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านมักจะอุทานบ อ, อกแจมแจ้จงนักพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของความให้ง่ายไม่มีใครอุทานสักคนนะว่าสับสนจังพระเจ้าค่ะยากขั้นตอนมากพระเจ้าค่ะไม่มีพลาอะไรเพราะไม่มีขั้นตอน ไม่มีใครบอกยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเปิดของความให้หงายมันยากอะไรเนะ <c oughs> นี่ยเพราะเราเรียนผิดทางเราเชื่ออาจารย์มากกว่าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยลำบากพระพุทธเจ้าเองก่อนจะเป็นพระเจ้านะานก็ค้นคว้าลองผิดลองถูกได้รับความลำบากแสนสาหัสมาแล้วเสียสงไขแสนมหากราบที่ได้รับพยากรนะรวมกับเวลาที่ไม่ได้รับพยากรอีก1ิบสสงไขย อันนั้นคือเวลาของการลองผิดลองถูกนั่นเองท่านลอผิดลองถูกจนกระทั่งท่านพบทางที่ง่ายๆเส้นนี้แหละทางที่คนนึกไม่ถึงใครๆอยากพ้นทุกข์ก็หาทางไปแก้ทํายังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะมีความสุขคิดอย่างนั้นอย่างเดียวคิดว่าทํายังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะไม่จะมีความสุขพระเจ้ากลับไม่สอนสอนบอกทุกข์อยู่ตรงไหนรู้เข้าไปตรงนั้นเลยเข้าไปเรียนรู้มันเราจะไม่ชอบเรียนรู้ทุกข์นะเราชอบหนีทุกข์ เรามันฝืนความรู้สึกถ้าเราเรียนรู้ทุกเราคยรู้กายคอยรู้ใจอย่าใจลอยไปถ้าใจลอยก็รู้กายรู้ใจไม่ได้อย่าเอาแต่เพ่งกายเพ่งใจกําหนดกายกําหนดใจกําหนดไว้กายกับใจกันนิ่งนิ่ ง, งแข็งแข็งผิดความจริงไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกปล่อยให้เขาทํางานให้กายทํางานให้กายยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างสบายสบายเราตามรู้ตามดูไป เห็นเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออกนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเนี่ยเห็นที่หายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกไปรูปนี้ตั้งอยู่นี่รูปนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกดูจิตดูใจก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงนะจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยถ้าเป็นคนน้าตายแล้วเหนื่อยตาย จิตใจนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนลําบากกลักตรำแสนสาหัสเลยถูกกิเลสตันหาผลักดันอยู่ตลอดเวลาหน้าเนรอนาดใจเนี่เราตามรู้ตามดูไปเราเห็นเลยโอ้โอโอจิตใจนี้ไม่เที่ยงนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจนี้บังคับไม่ได้นะเช่นกิเลสผ่านมาหรืออารมณ์ผ่านมาจะบังคับไม่ให้เข้าไปแตนะนี่ทำไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวแค่พยายามจะทําขึ้นนิดเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ะอยากจะทำขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลย เมื่อให้เรารู้กายรู้ใจไปนะมันอยากเป็นอย่างอื่นพอรู้ทุกข์แล้วอยากให้หายเนี่ยให้รู้ทันให้ละความอยากนี้เสียเรียกรู้ทุกข์เราละสมุทัยเสียจิตไม่สงบรู้ว่าจิตไม่สงบอยากให้ให้สงบรู้ทันละความอยากนี้เสียให้รู้ความฟุ้งซ่านนั้นด้วยจิตที่เป็นกลางไปจิตจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็เหมือนเหมือนกันจิตจะดีจิตจะร้ายนะให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางนะ ถ้าเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันในสุดมันเป็นกลางมันไม่ดิ้นรนมันไม่ปรุงแตง่งเราก็จะเข้าถึงธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแตง่งเข้าง่ายๆเลยนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ใจของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นนิพพานเพราะใจของเราติดในความปรุงแตง่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความปรุงแต่งนะรู้มากเข้ามากเข้าใจหมดความปรุงแต่งนะจะเห็นนิพพานเ ต, ต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองง่ายมากๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยาก อาจาร์นวลสรินี้ไปคิดทำไหมเอ อ, เ อ, อนะ้านะใครรู้ไปรู้ไปเนี่ยฝึกไปนะ้าดีแล้ว อ, อ่ะวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อเหนื่อยแล้วเอา้ามีคุณเยาวอีกคนหนึ่งเอ้าแถมอีกคนอ้าไหนๆมานานๆทีนึงไมโครโฟนไปถึงไหนละวให้ส่งไปนอยค่ะหลวงพ่อก็ พอรู้ว่าคือไป ป, ปฏิบัติหนึ่งปีนี่นะคะพอเข้าวัดแล้วกายทุกจิตทุกแต่ตัวอีกตัวหนึ่งนี่จะไม่ทุกเลยก็มองดูอยู่นะคะแล้วก็มากับหลวงพ่อเมื่อเดือนมีนาแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทุกแล้วก็ก็ปฏิบัติก็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเมื่อเดือนมิถุนาก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราจะทำให้เหมือนการหลวที่เราไปกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ก็ถอยออกมาพอถอยออกมาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ดีก็เห็นแต่กายกระจิกกายกระจิตอยู่แค่นี้เองเแล้วก็สุดท้าย <c oughs> ก็อ่านหนังสือหลวงพ่ออีกทีหนึ่งมีน้องก็เล่มนั้นไม่ใช่ของเราเราก็คืนเขาไปแล้วก็มีคนเอาไปให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมื่อวันที่9เดือน9้า ขึ้นสิบห้าคัมพออ่านเสร็จตรงมหาสุญญาตาเนี่ยร้องไห้เลยหลวงพ่อรู้ว่าคาว่าพ้นกรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเขียนตรงนั้นซึ่งอารมณ์ของเรามาสิบปีนี่เราไม่เคยมีใครพอส่งอารมณ์ใครเนี่ยตีอารมณ์เราผิดหมดเลยก็ไม่กล้าที่จะไปมันก็ถอยเข้าถอยออกเมื่อถึงตรงจุดนั้นพอละลึกก็ ก็ดีขึ้นก็ดีก็ปฏิบัติไปก็ดีไปเรื่อยๆพอสุดท้ายก็ส่งหนังสือน้งให้ให้น้องอีกคนหลานอีกคนหนึ่งเพราะว่าจะได้มีประโยชน์ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ไม่มีอะไรก็วันอีกวันพากหนึ่งก็นอนนอนดูกายดูจิตพอดูไปดูมากายนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงพอจิตไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์หลวงพ่อล้วก็ร้องไห้ แล้วก็ระลึกถึงหลวงพ่อแล้วจะไปยึดถืออะไรสุดท้ายมันก็ปล่อยหมดทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นนั่งสมาธิหรือไม่ว่าจะได้ยินสิ่งที่กระทบเนี่ยมันจะหยุดหมดเลยมันจะบอกเพราะว่าเข้าใจผิดว่าที่หลวงพ่อบอกมากราบลาครั้งแรกว่าสภาวะสูงสูงจิตก็ทุกข์ก็นึกว่าเป็นสภาวะยานสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยก็ก็ได้แต่ สิ่งที่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อว่าปฏิบัติถูกต้องหมดแล้วเนี่ย mm. ก็ได้แต่เข้าใจแบบถูกก็ถูกแต่ไม่เคลียร์ไม่แจ่มแจ้งแต่คราวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างนี่มันมันกระจ่างชัดหมดมีก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าปิติหรือเสียใจยหรือ ย, อยังไงว่าเรานี้มีวาสนามีบุญนะยังมีครูบาอาจารย์ที่รู้อารมณ์เรา ซึ่งเราคงไม่เสียชาติเกิดแล้วชาตินี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แล้ลึกถึงหลวงพ่อเมื่อไหร่ก็น้ําตาเจ้าค่ะเจริญปัโมทนานะดูไปเถอะจิระถ้ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วใครมันจะทุกข์ใช่ค่ะแล้วจะยึดถืออะไรแล้วปล่อยหมดแล้วมันก็ปล่อยหมดแหลนะปกติมันก็จะมีเหมือนกับซ้อนกันที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจิตที่ดูอยู่ ก็อยู่เป็นมาเป็นสิบปีแล้วหลวงพอ่อแม้ตัวเราจริงๆไม่มีไม่มีก็ไม่มีมาเป็นสิบปีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกก็ได้แต่คิดแต่ว่าช่วงที่สวายดอกไม้นี่เข้าใจว่าเรานี่ทามาทางถูกต้องหมดแล้วคือคิดเอาเองแต่ก็ไม่มีไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะ ปัญญาจากการภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าก็จะต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยพส่งครูบาอาจารย์ท่านท่านอื่นที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญญาแต่ตรงนี้เป็นจินตายกตัวอย่างเนี่ยเจ้าคะ่ะขณะที่ปฏิบัติอยู่มันจะเห็นหลายครั้งเนี่ยอย่างครั้งแรกเนี่ยจะเห็นว่า จิตที่มันดับไปแล้วแล้วมันสว่างขึ้นมาเนี่ยดูภาวนาซิว่าอันนี้พองยุคเป็นยังไงพองยุบหรือพุทโธสัมมาลาหานามาพัฒมันก็จะลงไปในจุดเดียวกันมาตรงจุดนั้นโยมก็ไม่เคยว่าใครเลยแม้กระทั่งกรณีที่ดังๆที่คองสามโยมมาถามโยมก็บอกว่าเราไม่รู้เราลูบเขาเราจะไปวิจารณ์เขาได้อย่างไรและอีกครั้งหนึ่งก็เห็น พองมันก็ดาบยุบมันก็เกิดยุบยุบแล้วมันก็เกิดคิดพอเราเอฟปั๊บเขาก็แสดงให้เราเห็นว่ารูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตที่รู้ก็ดับสติระลึกรู้ก็ดับมันเป็นอดชดเขาบอกว่าช่วงที่เห็นรูปนามเกิดดึ้นั้นเป็นปัญญาแต่ช่วงที่เราจิตที่มันมันซึ่งมันติดกันมากเลยนะหลวงพ่อเขาบอกตรงนี้เป็นจินตายองก็คิดในใจจะเป็นยังไงก็ช่างฉันได้มาฉันไม่เสื่อมคายฉันก็ได้ แต่คราวนี้เห็นกายก็ไม่เที่ยงกายนําเห็นไม่เที่ยงน่ะแหละแต่จิตที่ไม่เที่ยงเนี่ยเพิ่งชัดแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์แล้วก็ยึดถืออะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ติดกันหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นภาวนาหรืออะไรหรือจินตาหรือเป็นเป็นอสูตายกเขว่าเป็นยังไงก็เป็นแต่ชั้นฉฉฉฉฉฉััััััันนนนนนนรู้้้้ขขขออองงงงไไดดววากก็็จบแล ยมก็คิดอย่างนั้นนะเจ้าก่ะโอเคนะแล้วก็ <Yeah. S 2> ดูไปเรื่อยๆใช่ไหม <Okay. S 2> ดูไปเรื่อยๆเลยนะดูไปเรื okay. นะ่อยเขียนนะอาเชิญยมกลับบ้านได้